5. อูณวีสติวัฏสะสิกขาบท 118. ถามทรงบัญญัติปาจิตตีแก่ภิกษุผู้รู้อยู่อุปสมบทให้บุคคลผู้มีอายุหย่อนกว่า20ปีณที่ไหนตอบทรงบัญญัติณกรุงราชครืถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบ